คู่มือชีวิตหมวดที่สองการทำงานจากหนังสือชีวิตนี้เพื่องานงานนี้เพื่อธรรมะสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์ปออประยุตโตจดทำโดยปราณีอริยตรกูลและครอบครัวพอถึงขั้นทำงานอย่างมีความสุขโดยไม่ต้องหวังไม่ต้องห่วงผลตอบแทนแล้วเราทำงานไป ชีวิตแต่ละขณะก็จะเป็นความเต็มสมบูรณ์ของชีวิตในทุกขณะนั้นๆตอนนี้แหละจะถึงจุดรวมที่ทุกอย่างมาอยู่ด้วยกันทั้งงานทั้งชีวิตและความสุขจะสาเร็จในแต่ละขณะเรื่องชีวิตนี้เพื่องานงานนี้เพื่อธรรมะ ทำไมจึงว่าชีวิตนี้เพื่องานงานนี้เพื่อธรรมะความหมายก็ชัดอยู่แล้วเพราะว่าเมื่อท่านอุทิศชีวิตนี้ให้แก่งานก็จึงเรียกว่าชีวิตของท่านนี้เพื่องานส่วนที่ว่างานนี้เพื่อธรรมะเมื่อมองดูความหมายง่ายที่สุดอย่างผิวเผินก็คือการทำงานนั้นเป็นไปเพื่อความดีเพื่อประโยชน์สุขแก่สังคม ความดีงามความเป็นประโยชน์และความสุขของประชาชนหรือของสังคมนั้นก็เป็นเรื่องของธรรมะเพราะฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่างานนี้เพื่อธรรมะแต่คำว่างานนี้เพื่อธรรมะยังมีความหมายลึกไปกว่านี้อีกไม่ใช่เพียงแค่นี้ยางไรก็ตามตอนนี้กำลังพูดถึงเรื่องของวันเกิดก็ควรจะโยงเรื่องของชีวิตมาเกี่ยวกับวันเกิด เกิดมาแล้วควรใช้ชีวิตอย่างไรความจริงชีวิตก็เริ่มด้วยการเกิดการเกิดเป็นการเริ่มต้นของชีวิตผู้ที่เห็นความสำคัญของชีวิตก็ยอมเห็นว่าการเกิดเป็นเรื่องสำคัญเพราะถ้าไม่มีการเกิดชีวิตก็เริ่มต้นไม่ได้วันเกิดนั้นในแง่หนึ่งจึงถือว่าเป็นวันของชีวิตและเป็นวันที่เตือนใจเราว่า การเกิดคือการที de ่เราได้ชีว mm. ิตมาเมื่อเราได้ชีวิตมาแล้วเราจะใช้ชีวิตกันอย่างไรดีวันเกิดอย่างน้อยก็เตือนเราอย่างนี้เตือนว่าเมื่อเราได้ชีวิตมาแล้วด้วยการเกิดนี้และเมื่อเราเป็นอยู่นี้เราจะใช้ชีวิตกันอย่างไรดีในเรื่องการใช้ชีวิตนี้คนก็มีความคิดเห็นกันต่างๆหลายคนก็หลายทัศนะ ว่าโดยกว้างก็อาจจะมีสักษี่ถึงห้าอย่างแบบที่หนึ่งหลายคนบอกว่าเออเราเกิดมาทั้งทีชาตินี้ไม่ยืดยาวนักอยู่กันชีวิตหนึ่งในเวลาที่ยังแข็งแรงหาความสุขได้ก็รีบหาความสนุกสนานใช้ชีวิตสำเริงสำราญกันให้เต็มที่เพราะไม่ช้าไม่นานก็จะตายชีวิตก็จะหมดไปนี่คือทัศนะของคนพวกหนึ่งซึ่งมีมาแต่โบราณ ในสมัยพุทธกาลก็มีถึงกับจัดเป็นลัทธิเลยทีเดียวเรียกว่าลัทธิจารวากซึ่งจัดเป็นพวกวัตุนิยมอย่างหนึ่งบางคนมีทัศนะต่างออกไปอีกเขาบอกว่าคนเราเกิดมาเพื่อใช้หนี้กรรมเพราะฉะนั้นการใช้ชีวิตนี้จึงเป็นเพียงการคอยรับผลของกรรมที่ทำมาในปางก่อน ทัศนะแบบนี้แทบจะตรงข้ามกับทัศนะแรกทัศนะแรกให้หาความสนุกสนานกันเต็มที่แต่ทัศนะที่สองมองไปในแง่การใช้น่กรรมเลยค่อนข้างจะสลดหดหูหน่อยแต่จะเป็นการมองที่ถูกหรือผิดตอนนี้จะยังไม่วิจารณ์ทัศนะแบบที่สามถือหลักแบบพระพุทธศาสนาตามคติอย่างหนึ่ง ซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสไว้เป็นคำอุปมาท่านบอกว่าเปรียบเหมือนช่างร้อยดอกไม้หรือเรียกง่ายๆว่านายมาลาการผู้ฉลาดเก็บเอาดอกไม้สีสันวันหน้าต่างๆจากกองดอกไม้กองหนึ่งมาร้อยเป็นพวงมาลามาไล่บ้างจัดจักันบ้างจัดเป็นพานบ้างทำให้เป็นรูปร่างต่างๆที่สวยงามอย่างหลากหลายได้ฉันใดคนเราเกิดมาแล้วชาติหนึ่ง ก็ควรใช้ชีวิตนี้ทำความดีให้มากฉันนั้นอันนี้เป็นคติที่มองดูชีวิตของคนเรานี้ว่าเป็นที่ประชุมของส่วนประกอบต่างๆมากมายซึ่งทางพระเรียกว่าขันหและขันหก็ยังแยกย่อยออกไปอีกมากมายรวมแล้วโดยสาระสำคัญก็คือส่วนประกอบต่างๆมากมายทั้งด้านวัตถุและทางจิตใจมารวมกันเข้าเป็นชีวิตของเรา สิ่งเหล่านี้ก็คล้ายๆกับกองดอกไม้คือยังไม่ดีไม่สวยไม่งามไม่ปรากฏคุณค่าอะไรออกมามันกองอยู่ตั้งอยู่อย่างนั้นจะมาเป็นกองขยะก็ได้จะมองเป็นกองดอกไม้ที่มีคุณค่าอยู่ในตัวก็ได้แต่ยังไม่สำเร็จประโยชน์ชัดเจนอะไรออกมามันก็กองอยู่อย่างนั้นทีนี้เราเอาชีวิตของเราที่ตั้งอยู่อย่างนี้ที่เป็นกลางๆไม่ชัดเจน ว่าจะมีคุณค่าอย่างไรนี้เอามาทำความดีถ้าเราเอาชีวิตนี้มาใช้ทำความดีก็ทำได้มากมายหรือในทางตรงข้ามจะทำความชั่วก็ทำได้มากมายเช่นเดียวกันเพราะมนุษย์มีศักยภาพมากแต่ในทางทำถ้าเอาชีวิตนี้มาทำความดีก็จะทำความดีได้มากมายเราจะเห็นว่า คนที่มีความมุ่งหมายในชีวิตแน่นอนแน่วแน่ในการทำความดีสามารถใช้ชีวิตชาติหนึ่งที่มองเห็นเป็นร่างกายยาววานาคืบกว้างสอกเท่านี้นี่เองทำสิ่งที่ดีงามได้มากมายมหาศาลสร้างสังคมสร้างชุมชนสร้างประเทศชาติตลอดจนสร้างสรนนรยธรรมของโลกเป็นความดีงามมากมายเหลือเกินก็สามารถทาได้ในกรณีนี้ เรามองว่ามนุษย์มีศักยภาพในการที่จะทำความดีตามคตินี้ซึ่งเป็นคติทางพระพุทธศาสนาในธรรมบทท่านสอนว่าคนเราเกิดมาแล้วควรใช้ชีวิตทำความดีให้มากถ้ามองในแง่นี้เราก็ต้องขวนขวายพยายามทำความดีให้มากที่สุดที่นี้อีกแง่หนึ่งเป็นความหมายในทางที่ดีเหมือนกันมองว่าชีวิตของคนเราเนี่ย เนเรื่องของการพัฒนาตนเองการใช้ชีวิตหรือการดำเนินชีวิตก็คือการฝึกฝนพัฒนาตนเองหรือพัฒนาชีวิตนี้ให้มีความดีงามถึงความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นตามทัศนะแบบนี้ถือว่าคนเราเกิดมาไม่มีความสมบูรณ์ในตัวชีวิตคือคนเรานี้เมื่อเกิดมาเริ่มต้นก็มีอวิชชามีความไม่รู้และยังไม่มีความสามารถอะไรต่าง แต่เราสามารถพัฒนาชีวิตของเราได้ฝึกฝนตนเองได้อันนี้ก็เป็นคติในทางพระพุทธศาสนาอีกนั่นแหละพระพุทธศาสนาถือว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่ฝึกได้และเป็นสัตว์ที่ฝึกได้เป็นพิเศษยิ่งกว่าสัตว์ชนิดใดๆสัตว์อื่นๆเช่นช้างมา้าและสัตว์ใหญ่น้อยทั้งหลายมากมายสามารถนํามาฝึกและใช้ทํางานต่างๆก็ได้ เล่นละครสัตว์ต่างๆก็ได้แต่ก็ได้แค่ที่มนุษย์จะฝึกให้ต่างจากมนุษย์ซึ่งถ้าฝึกแล้วจะทำอะไรได้มากมายแสนวิเศษอัศจรรย์ตามคตินี้ความวิเศษของมนุษย์อยู่ที่การฝึกคือถือว่ามนุษย์เกิดมายังไม่สมบูรณ์ความสามารถก็ยังไม่สมบูรณ์สติปัญญาก็ยังไม่สมบูรณ์คุณธรรมก็ยังไม่สมบูรณ์ เราจึงพยายามพัฒนาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นคติเย่ยงนี้ในระดับสูงสุดเรียกว่าเป็นคติแบบพระโพธิสัตว์สำหรับคติที่กล่าวก่อนหน้านี้ที่ว่าคนเราเกิดมาควรใช้ชีวิตทำความดีนั้นเป็นคติของชาวพุทธแบบทั่วไปแต่เมื่อจะฝึกฝนตนให้สมบูรณ์ก็เข้าแนวคติพระโพธิสัตว์คือพระโพธิสัตว์ยอมพัฒนาตนให้สุด ให้เต็มที่แห่งศักยภาพศักยภาพของมนุษย์เมื่อพัฒนาเต็มที่ก็คือการถึงโพธิคือตรัสรู้เป็นพุท ธ, ธะท่านบอกว่ามนุษย์นี้ทาไม่ฝึกแล้วอาจจะตำซามหรือด้อยกว่าสัตว์ทั้งหลายเพราะว่าสัตว์ทั้งหลายอย่างอาศัยสัญชตาตญาณได้มากกว่ามนุษย์ จะเห็นได้จากการที่สัตว์หลายอย่างพอเกิดมาก็เดินได้ว่ายน้ำได้หากินได้แต่มนุษย์นี้ในขณะที่เกิดมานั้นทำอะไรไม่ได้เลยทิ้งไว้ก็ตายสู้สัตว์อื่นก็ไม่ได้แม้แต่การดำเนินชีวิตก็ต้องสอนทุกอย่างไม่เหมือนสัตว์อื่นๆที่มีสัญชาตญาณช่วยถ้ามนุษย์ไม่มีการฝึกฝนก็แพ้สัตว์ทั้งหลายแต่ถ้าฝึกดีแล้ว ก็ไม่มีสัตว์ชนิดใดสู้ได้เลยฝึกได้จนกระทั่งเป็นพุท ธ, ธะถึงที่สุดแห่งศักยภาพซึ่งแม้แต่พระพรหมก็เคารพบูชาเรียกว่ามนุษย์สูงสุดกว่าสัตว์ใดๆแต่มีเงื่อนไขว่าต้องมีการฝึกฝนพัฒนาเป็นอันว่ากรณีนี้เป็นคติโพธิสัตว์คือใช้ชีวิตนี้พัฒนาศักยภาพกันให้เต็มที่ ต่อมามีอีกคติหนึ่งว่าชีวิตนี้ควรจะเป็นอยู่ให้ดีที่สุดเสร็จสิ้นสมบูรณ์ในแต่ละขณะทุกขณะหมายความว่าทำชีวิตให้เต็มเปี่ยมบริบูรณ์ในแต่ละขณะข้อนี้เป็นคติสำคัญเป็นคติพุทธศาสนาเหมือนกันความจริงคติทั้งสามอย่างหลังเป็นคติทางพระพุทธศาสนาทั้งสิน้นอย่างที่บรรยายมาเมื่อกี้ว่า การใช้ชีวิตทำความดีให้มากเป็นคติที่ชาวพุทธทั่วไปถือเป็นหลักการพัฒนาศักยภาพให้เต็มที่เป็นคติธรรมแนวพระโพธิสัตว์พอมาถึงข้อนี้ว่าทำชีวิตให้เต็มเปี่ยมสมบูรณ์ในแต่ละขณะทุกขณะไปเลยก็เป็นคติพระอระหันต์และก็เป็นคติของพระพุทธเจ้าด้วย ที่ว่ามานี้ก็เป็นเรื่องของการใช้ชีวิตกันต่างๆซึ่งทั้งหมดนั้นก็สืบเนื่องจากการที่ได้มาคำนึงถึงว่าคนเราที่เกิดมาเนี่ยเมื่อเกิดมาแล้วก็มีการสิ้นสุดชีวิตนี้มีช่วงเวลาจำกัดไม่ยืนยาวเพราะฉะนั้นจึงควรคิดว่าจะใช้ชีวิตกันอย่างไรแต่ทั้งหมดนั้นก็มามองกันที่ว่ามีการเกิดและมีการตายอยู่หัวท้ายแล้วในระหว่างนั้น จะทำอย่างไรยกเว้นแต่ข้อสุดท้ายซึ่งเป็นคติที่พิเศษคือเลยไปถึงขั้นที่ไม่เกิดไม่ตายเพราะว่าเมื่อใช้ชีวิตเต็มเปี่ยมในแต่ละขณะแล้วการเกิดการตายก็ไม่มีนั่นเป็นชีวิตที่สมบูรณ์เรียกว่าเป็นอมาตะอยู่ในตัวเองเลยเพราะคนนั้นจะไม่นึกถึงเรื่องเกิดเรื่องตายอีกต่อไปทั้งหมดนี้เป็นคติที่ควรจะนามาใช้ปฏิบัติได้ใครจะเลือกอย่างไร ก็พิจารณาได้ด้วยตนเองทำงานเพื่ออะไรอย่างไรก็ตามในบรรดาคติทั้งหมดนี้ไม่ว่าใครจะเลือกใช้คติใดก็ตามถ้าเราวิเคราะห์ชีวิตของเราออกไปในการเป็นอยู่ประจำวันก็ดี ตลอดชีวิตก็ดีโดยเฉพาะในสภาพปัจจุบันนี้เมื่อวิเคราะห์แยกแยะชีวิตให้ละเอียดเพื่อให้เข้าใจชีวิตที่เป็นไปจะเห็นว่าความเป็นไปส่วนใหญ่ในชีวิตของแต่ละคนขึ้นอยู่กับกิจกรรมสำคัญอย่างหนึ่งคือสิ่งที่เรียกว่างานงานเป็นเนื้อหาส่วนสำคัญแห่งชีวิตของคนโดยเฉพาะในสมัยปัจจุบันงานครอบคลุมและกาหนดการดาเนินชีวิตของมนุษย์ส่วนมาก ในเมื่องานเป็นกิจกรรมหลักของมนุษย์ดังนั้นถ้าเราจะพูดเกี่ยวกับการใช้ชีวิตให้ละเอียดเราก็ควรจะพูดถึงว่าเราทำงานกันอย่างไรเพราะเราจะเห็นการเป็นอยู่ของมนุษย์ได้สมบูรยิย่งขึ้นเมื่อมาดูกิจกรรมหลักของชีวิตคือการทำงานนั้นเมื่อต้องการทราบว่าคนเขาดำเนินชีวิตอย่างไรใช้ชีวิตอย่างไรเราก็ไปดูที่การทำงานของเขา แล้วเราก็จะเห็นส่วนสำคัญของชีวิตของเขาทีเดียวแม้แต่คนที่ว่าอยู่เพื่อสำเริงสำราญให้เต็มที่ไม่คิดมุ่งหมายเรื่องการเรื่องงานอะไรเลยก็ไม่สามารถที่จะสำเริงสำราญเต็มที่ทั้งชีวิตซึ่งเป็นไปไม่ได้การอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาเป็นไปไม่ได้เขาจะต้องมีการทำงานเหมือนกันงานเป็นกิจกรรมส่วนสำคัญของชีวิต เพราะฉะนั้นถ้าจะดูให้ละเอียดว่าเราใช้ชีวิตกันอย่างไรก็ต้องมาดูเรื่องการทำงานว่าทำกันอย่างไรด้วยคนเรานั้นมองการทำงานต่างกันไปหลายอย่างและจากความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของการทำงานก็ทำให้เขามีพฤติกรรมการทำงานเป็นแบบตละแบบของตนไปตามความเข้าใจนั้นอย่างแรกที่เห็นชัดที่สุด คนโดยมากมองความหมายของงานว่าเป็นเครื่องมือหาเลี้ยงชีพทำให้มีเงินมีทองสำหรับเอามาซื้อหารับประทานมาจับจ่ายใช้สอยหาความสุขอะไรต่างๆอย่างน้อยก็ทำให้มีชีวิตอยู่ได้ด้วยปัจจัยสี่ข้อนี้นับว่าเป็นความหมายของงานสำหรับคนจำนวนมากมายทีเดียวซึ่งถ้าถือตามคตินี้โดดๆลาพังอย่างเดียวก็อาจจะเข้ากับคำขวัญที่ว่า งานคือเงินเงินคืองานบันดาลสุขต้องทำงานจึงจะมีเงินและต้องมีเงินจึงจะได้คนมาทำงานก็จำกัดเพียงเท่านี้นี่คือความหมายทั่วๆไปในขั้นแรกแต่ยังมีความหมายต่อไปอีกสำหรับคนอีกเป็นจำนวนมากนอกจากความหมายที่หนึ่งแล้วยังมีความหมายที่สองพ่วงมาด้วย ความหมายที่สองนี้ขยายกว้างไกลออกไปคือมองว่างานนี้จะนำชีวิตของเราไปสู่การมีตำแหน่งมีฐานะตลอดจนความรุ่งโรจน์หรือความรุ่งเรืองและความนิยมนับถือต่างๆที่ทางพระเรียกว่าโลกธรรมซึ่งก็เป็นความหมายที่สำคัญเหมือนกันคนในโลกจำนวนมากมองความหมายของงานในแง่นี้ต่อไป งานยังมีความหมายยังอื่นอีกงานในความหมายหนึ่งทำให้มองกว้างออกไปนอกเหนือจากตัวเองในความหมายที่ว่ามาแล้วเรามองจำกัดเฉพาะตัวเองที่บอกว่างานเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตก็เป็นเรื่องของตัวฉันงานเป็นบันไดไต่เต้าไปสู่ความรุ่งเรืองหรือความสำเร็จก็เพื่อตัวฉันแต่ที่จริงงานไม่ใช่แค่ตัวฉันงานเป็นเรื่องที่กว้างกว่านั้น งานเป็นเรื่องที่เป็นไปเพื่อการสร้างสรรค์เป็นไปเพื่อการพัฒนาเป็นกิจกรรมของสังคมเป็นของประเทศเป็นของโลกโลกจะเป็นไปได้สังคมจะดาเนินไปได้ประเทศชาติจะพัฒนาได้จะต้องอาศัยคนทำงานเพราะฉะนั้นคนที่ทำงานจึงเท่ากับได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์พัฒนาสังคมประเทศชาติตามความหมายของงานในแง่นี้ พอเราทำงานเราก็นึกทีเดียวว่าตอนนี้เรากำลังทำการอย่างหนึ่งซึ่งเป็นส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมประเทศชาติหรือมองว่าเรากาลังทาอะไรอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์สุขของสังคมหรือของประชาชนต่อไปงานยังมีความหมายอีกในแง่ว่าเป็นสิ่งที่ประดับสภาพชีวิตของคนทำให้คนมีสภาพชีวิตที่แตกต่างกันไป ทำให้การดำเนินชีวิตต่างกันไปสภาพความเป็นอยู่ต่างกันไปคนเป็นกรรมกรก็มีความเป็นอยู่แบบหนึ่งคนเป็นนักวิชาการก็มีสภาพชีวิตอีกแบบหนึ่งท่านที่เป็นแพทย์ก็มีสภาพชีวิตไปอีกแบบหนึ่งเป็นพระภิกษุก็มีสภาพความเป็นอยู่อีกแบบหนึ่งสภาพความสัมพันธ์ในสังคมก็แปลกกันไป ทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องของงานที่แบ่งสภาพชีวิตของคนให้แตกต่างกันไปจึงจัดว่าเป็นความหมายอีกอย่างหนึ่งของงานสำหรับบางคนอาจมองว่างานเป็นสิ่งที่ทําให้ชีวิตมีคุณค่าถึงกับบอกว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงานคนที่กล่าวกติอย่างนี้มองไปในแง่ว่างานเป็นสิ่งสำคัญที่ทําให้ชีวิตมีค่า ถ้าไม่ทำงานที่ดีมีประโยชน์ชีวิตนี้ก็ไม่มีค่าต่อไปความหมายของงานอีกอย่างหนึ่งก็คืองานเป็นโอกาสที่จะได้พัฒนาตนหรือว่าการทำงานคือการพัฒนาตนความหมายของงานในแง่ที่เป็นการพัฒนาตนนี้ไปสัมพันธ์กับความหมายของการใช้ชีวิตอย่างที่ว่ามาเมื่อกี้นี้ที่พูดว่าดาเนินชีวิตเพื่อพัฒนาตน หรือเพื่อพัฒนาศักยภาพนั้นที่จริงสาระของมันก็อยู่ที่งานนี่เองที่เป็นตัวพัฒนางานนี่แหละเป็นสิ่งที่พัฒนาชีวิตของเราพัฒนาให้เรามีความสามารถทําให้เรามีความเชี่ยวชาญมีความเก่งกาจในทางใดทางหนึ่งแม้ในด้านการฝึกฝนทางจิตใจหรือในทางคุณธรรมงานก็เป็นเครื่องมือฝึกฝนคน ทำให้เรามีความขยันมีความอดทนทำให้มีระเบียบวินัยทำให้รู้จักสัมพันธ์กับเพื่อนพ้องผู้ร่วมงานสิ่งเหล่านี้ล้วนอาศัยงานเป็นเครื่องฝึกถ้าคนรู้จักทำงานเป็นจะสามารถใช้งานเป็นเครื่องมือในการฝึกฝนพัฒ น, ฒนาตนเองได้มากมายเพราะฉะนั้นในแง่หนึ่งนักทำงานจะมองว่า งานเป็นสิ่งที่ช่วยฝึกฝนพัฒนาตัวของเขาอย่างที่ว่าทำให้ศักยภาพของเขาถึงความสมบูรณ์ทั้งหมดนี้ก็เป็นความหมายของงานในแง่ต่างๆซึ่งกล่าวได้มากมายหลายอย่างนอกจากนี้ก็อาจมีผู้ที่มองความหมายของงานในแง่อื่นอีกแต่ในแง่หลักๆแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ ควรทำงานกันอย่างไรทีนี้เมื่อคนทำงานไปตามความหมายและความเข้าใจของเขาความหมายของงานตามที่เขาเข้าใจนั้นก็มีผลต่อพฤติกรรมในการทำงานและส่งผลต่อความรู้สึกและต่อสภาพจิตใจในการทำงานของเขาด้วยเราเข้าใจการทำงานอย่างไรเราก็มุ่งหวังผลสนองไปตามความหมายนั้น ถ้าเกิดผลสนองตามความมุ่งหมายเราก็เกิดความพึงพอใจถ้าไม่สนองตามความมุ่งหมายก็เกิดความเศร้าเสียอกเสียใจเพราะฉะนั้นความเข้าใจในความหมายของงานจึงมีผลกระทบต่อชีวิตจิตใจของเรามากตัวอย่างเช่นคนที่ทางานในความหมายที่เป็นเพียงเครื่องมือหาเลี้ยงชีพให้ได้ผลตอบแทนให้ได้ผลประโยชน์ ถ้าหากว่าไม่ได้ผลประโยชน์มากผลประโยชน์ที่ได้มาน้อยไปเขาก็จะรู้สึกไม่สมหวังเกิดความไม่พอใจเกิดความทุกข์เพราะว่าความมุ่งหมายในการทำงานของเขาไปอยู่ที่ตัวผลประโยชน์ตอบแทนคือเรื่องเงินทองเป็นต้นการที่เขาจะมีความสุขหรือความทุกข์ก็อยู่แค่นั้นที่นี้ถ้ามองความหมายของงานไปในแง่ว่า เป็นการทำหน้าที่หรือบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมประเทศชาติสำหรับคนที่มองอย่างนี้บางทีแม้ว่าผลประโยชน์ตอบแทนอาจไม่มากนักแต่ความพึงพอใจของเขาอยู่ที่ว่างานนั้นทำให้เกิดประโยชน์แก่สังคมดังนั้นเขาก็มีความสุขความรู้สึกในจิตใจจึงไปสัมพันธ์กับความเข้าใจความหมายของงานคนที่มองงานในแง่ของการพัฒนาตน หรือพัฒนาศักยภาพเวลาทำงานก็จะเพลินไปกับงานเพราะในเวลาที่ทำงานเราได้ฝึกตัวของเราอยู่ตลอดเวลาเราทำงานไปเราก็ได้ความสามารถเพิ่มพูนความชำนาญมากขึ้นส่วนเรื่องที่ว่าจะได้ผลประโยชน์ตอบแทนมากน้อยเราจะไม่คํานึงถึงนักเราจะมีความพึงพอใจในการที่ได้พัฒนาตนเองให้ศักยภาพออกผลเพิ่มขึ้น เพราะฉะนั้นการเข้าใจความหมายของงานจึงเป็นสิ่งสำคัญมากต่อสภาพจิตใจตอนนี้อยากพูดถึงความรู้สึกพื้นฐานทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับเรื่องงานสักนิดหนึ่งเมื่อเรามองดูความหมายของงานถ้ามองดูวัฒนธรรมไทยและนำไปเทียบกับวัฒนธรรมตะวันตกจะเห็นว่ามีความแตกต่างกันอยู่และความแตกต่างนั้น ก็แสดงถึงพื้นฐานทางด้านการสั่งสมฝึกอบรมจิตใจของวัฒนธรรมนั้ น, น, นคนไทยเรามองคำว่างานกันอย่างไรก่อนที่วัฒนธรรมแบบตะวันตกเข้ามาคนไทยเราใช้คำว่างานในความหมายที่ไม่เหมือนปัจจุบันเรามีงานวัดเรามีงานสงกรานเรามีงานกระถินเรามีงานทอดผ้าป่าคำว่างานในความหมายของคนไทย เป็นกิจกรรมเพื่อความสนุกสนานเพื่อความบันเทิงงานวัดเป็นเรื่องสนุกทั้งนั้นมีมหรสพมีละครหนังลิเกในงานสงกรานเราก็ไปสนุกกันเอาน้ําไปสาดกันไปเล่นอะไรต่ออะไรกันคลื้นแต่ความจริงงานมีความหมายที่ซ้อนอยู่ลึกกว่านั้นคือเป็นเรื่องของการทําความดีกิจกรรมที่เป็นหลักเป็นแกนของงานก็คือ การทำการบุญการกุศลหรือบำเพ็ญความดีบางอย่างโดยเฉพาะการมาร่วมกันทำประโยชน์บางอย่างเพื่อส่วนรวมแม้แต่งานสงกรานก็มีกิจกรรมที่เป็นการทำบุญทำกุศลอยู่รวมทั้งการขนทรายเข้าวัดดังนั้นการทำงานจึงมีความหมายในเชิงที่เป็นกิจกรรมในการทำความดีบางอย่างหรือเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางศาสนา แต่ส่วนหนึ่งที่ปนอยู่ด้วยก็คือความสนุกสนานบันเทิงซึ่งเป็นส่วนที่หลงเหลือมาถึงปัจจุบันในคนไทยส่วนมากเป็นนั้นว่าความหมายของงานที่เป็นไปนตามวัฒนธรรมไทยนี้เหลือมาในรูปของความสนุกสนานเป็นหลักทีนี้ในแง่ของสังคมตะวันตกการทำงานแบบตะวันตกเข้ามาพร้อมกับวัฒนธรรมตะวันตกนั่นเองความหมายแบบตะวันตกคืออะไร งานในความหมายของตะวันตกนั้นเรียกว่า work และมีคำสำคัญที่คู่กับ work เป็นคำที่ตรงข้ามกันซึ่งมีค่าเท่ากับ work ซึ่งช่วยให้ความเด่นชัดแก่ความหมายของ work ด้วยคือคำว่า leisure แปลว่าการพักผ่อนหย่อนใจงานในความหมายของฝรั่งจึงคู่และตรงข้ามกันกับการพักผ่อนหย่อนใจเพราะฉะนั้นวัฒนธรรมตะวันตก จึงมองงานว่าเป็นเรื่องของความเหน็ดเหนื่อยลำบากตรากตรำเป็นเรื่องที่ต้องทนทาด้วยความทุกยากและก็จึงต้องมีสิ่งที่คู่กันเพื่อทดแทนคือการพักผ่อนหย่อนใจเพราะฉะนั้นตามวัฒนธรรมของฝรั่งนี้คนเราต้องทํางานและเสร็จแล้วก็ไปพักผ่อนหย่อนใจเพื่อเป็นสิ่งที่ช่วยทดแทนชดเชยหรือผ่อนระบายดังนั้น งานจึงเป็นสิ่งที่ทาให้เกิดความเครียดได้มากและถ้าเราตั้งท่าไว้ไม่ดีมีท่าทีของจิตใจที่ไม่ถูกต้องคือไม่มีความรักงานเราก็จะทำงานด้วยความเหนื่อยหน่ายและอยากจะหนีงานงานกลายเป็นสิ่งที่หนักหนาต้องเผชิญต้องผชนต้องต่อสู้เพราะฉะนั้นก็จึงต้องหาทางหลีกเลี่ยงไปเสียเราจะต้องการให้งานเลิกหรือจะหนีไปจากงานเพื่อไปหาการพักผ่อน มันเป็นสิ่งที่จะต้องแก้ไขและจึงต้องมีจริยธรรมที่เข้าชุดเป็นคู่กันคือว่าคนในวัฒนธรรมตะวันตกซึ่งทำงานแบบตะวันตกจะต้องสร้างนิสัยรักงานขึ้นมาให้ได้เพราะรักงานก็มีใจสู้และทนต่อความหนักความเหน็ดเหนื่อยของงานได้เป็นอันว่าความหนักและความเหน็ดเหนื่อยเป็นลักษณะางานแบบตะวันตก คนไทยรับเอาความหมายของคำว่างานในแง่ที่เป็นความหนักหน้าเหนื่อยมาจากตะวันตกโดยไม่ได้รับเอานิสัยรักงานมาด้วยแต่เรามีนิสัยรักความสนุกที่สั่งสมมากับความหมายของงานในวัฒนธรรมของไทยเราเองในสภาพของความนุ่หนังและสับสนของวัฒนธรรมอย่างนี้ถ้าเราปรับตัวไม่ดีเราจะเสียทั้งสองด้านคือในแง่ของตัวเองเราก็รักความสนุกสนานของเก่า ที่ว่างานมีความหมายเป็นความสนุกสนานเรามุ่งอยากได้ความสนุกสนานพอเจองานแบบตะวันตกที่หนักและไม่สนุกก็ยากจะหนีงานไปเพราะไม่มีนิสัยรักงานผลเสียก็จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ดีก็ต้องแก้ไขให้ถูกต้องความหมายที่ดีของเราในวัฒนธรรมเก่าว่างานเป็นกิจกรรมเพื่อส่วนรวม เพื่อร่วมกันสร้างสรรอะไรสักอย่างหนึ่งโดยมีความสนุกสนานเป็นผลพ่วงมาหรือเป็นผลพลอยได้เราก็รักษาไว้และในเวลาเดียวกันงานในความหมายที่ต้องสู้ต้องทำด้วยความเหน็ดเหนื่อยนี้เราก็ยินดีต้อนรับไม่ถอยหนีจะต้องแก้ปัญหาให้ได้ว่าทำอย่างไรจึงจะให้การทำงานเป็นไปด้วยดีโดยมีนิสัยรักงานและสู้งานมาช่วยสนับสนุน จุดมุ่งหมายของคนหรือจุดมุ่งหมายของงานจะเห็นว่าความหมายทางจิตใจเป็นเรื่องสำคัญเราจะสู้งานหรือจะคอยหนีจากงานก็อยู่ที่สภาพจิตใจอย่างที่ว่ามาแล้วและในการที่จะมีสภาพจิตใจที่เอื้อต่อการทำงานนั้นสิ่งหนึ่งที่จะสนับสนุนให้คนทำงานได้ผลดีก็คือกำลังใจ พอพูดถึงกำลังใจก็มีปัญหาอีกกำลังใจจะมาได้อย่างไรกำลังใจก็เป็นเรื่องของความสัมพันธ์เชิงวงจรอีกมันย้อนไปย้อนมาถ้าเรามีกำลังใจเราก็ทำงานได้ดีแต่ทำอย่างไรเราจึงจะมีกำลังใจถ้าทำงานแล้วได้ผลดีก็มีกำลังใจพองานได้ผลดีก็มีกำลังใจก็ยิ่งทำงาน ยิ่งทำงานก็ยิ่งได้ผลดียิ่งได้ผลดีก็ยิ่งมีกำลังใจอันนี้ก็เป็นเรื่องของการส่งผลย้อนไปย้อนมากำลังใจเป็นเรื่องสำคัญในการทำงานแต่การที่จะมีกำลังใจนั้นก็อยู่ที่การเข้าใจความหมายของงานนั่นแหละคนที่เข้าใจความหมายของงานว่าจะทำให้ได้ผลตอบแทนหรือได้ผลประโยชน์มา ถ้าเขาได้ผลตอบแทนได้ผลประโยชน์มาเขาก็มีกําลังใจแล้วก็ทำงานแต่ถ้าไม่ได้ผลตอบแทนเป็นอัตราเป็นเงินทองก็ไม่มีกําลังใจแต่อีกคนหนึ่งมองความหมายของงานว่าเป็นการได้พัฒนาตนหรือเป็นการได้บำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมเมื่อเห็นสังคมเจริญก้าวหน้ามีความสงบสุขยิ่งขึ้นเขาก็มีกาลังใจได้ แม้จะไม่ได้ผลตอบแทนเป็นวัตถุมากเท่าไหร่กำลังใจจึงไปสัมพันธ์กับผลตอบสนองจากงานไม่ว่าจะเป็นผลทางวัตถุหรือผลทางจิตใจจะเป็นผลแก่ตนเองหรือผลแก่ส่วนรวมก็ตามแล้วแต่จะมองความหมายของงานอย่างไรรวมความว่ากำลังใจเป็นสิ่งสำคัญก็จริงแต่ก็ไม่ใช่เครื่องกํากับที่แน่นอนว่า จะให้เกิดคุณค่าที่เป็นประโยชน์เสมอไปอย่างที่ว่าคนที่ทางานมุ่งแต่ผลประโยชน์ตอบแทนเป็นเงินทองวัตถุถ้าผลตอบแทนน้อยไปไม่ได้มากมายก็จะเกิดปัญหาไม่มีกําลังใจในการทํางานเพราะฉะนั้นเราจะต้องหาอะไรมาช่วยกําลังใจให้ได้ผลดียิ่งขึ้นเพื่อให้งานเกิดคุณค่าอย่างแท้จริงสิ่งหนึ่งที่จะมาหนุนคุณค่านี้ได้ก็คือศรัทธา ศรัทธาเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากศรัทธาคือความเชื่อซึ่งในความหมายอย่างหนึ่งก็คือการเห็นคุณค่าของสิ่งนั้นเมื่อเห็นคุณค่าของสิ่งนั้นก็พอใจสิ่งนั้นและใจก็ยึดเหนี่ยวมุ่งไปหาและมุ่งไปตามสิ่งนั้นเมื่อมุ่งไปหาหรือมุ่งหน้าต่อสิ่งนั้นมุ่งจะทำและมุ่งจะตามไปก็เกิดกำลังขึ้นมาศรัทธาเป็นพลัง เมื่อเรามีศรัทธาต่อสิ่งใดเราก็จะสามารถอุทิศชีวิตทั้งร่างกายและจิตใจอุทิศเรี่ยวแรงกำลังของเราให้แก่สิ่งนั้นเพราะฉะนั้นการที่จะให้เกิดกำลังใจในทางที่ดีจึงต้องสร้างศรัทธาขึ้นมาศรัทธาจะเกิดขึ้นได้ด้วยการเข้าใจความหมายนั่นแหละเช่นถ้าเราเข้าใจความหมายของงานในแง่ว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่า เป็นเครื่องสร้างสารรค์ทําให้เกิดประโยชน์แก่สังคมเป็นต้นเราก็เกิดศรัทธาในงานประมองเห็นคุณค่าของงานนั้นพอมีศรัทธาอย่างนี้แล้วศรัทธานั้นก็จะส่งเสริมกําลังใจในลักษณะที่พ่วงเอาความเป็นคุณเป็นประโยชน์เข้ามาด้วยไม่ใช่เป็นกําลังใจล้ว น, นที่เพียงจะเกิดจากความสมอยากในการได้วัตถุเท่านั้นเพราะฉะนั้นเมื่อมีศรัทธาแล้วกําลังใจที่เกิดขึ้น ก็จะเป็นกำลังใจที่ทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าธรรมะคือมีความดีงามมีคุณประโยชน์พ่วงมาด้วยนอกจากมีศรัทธานในงานแล้วก็ต้องมีศรัทธานในวิถีชีวิตด้วยเรื่องนี้จะมีความหมายโยงไปหาชีวิตด้วยว่าเรามองชีวิตอย่างไรคนที่มองความหมายของชีวิตในแง่ว่าวิถีชีวิตที่ดีก็คือการหาความสนุกสนานให้เต็มที่ คนอย่างนั้นจะมาศรัทธาในความหมายของงานที่เป็นคุณเป็นประโยชน์แก่สังคมก็เป็นไปได้ยากเพราะฉะนั้นความหมายของงานที่จะทำให้เกิดศรัทธาจึงต้องโยงไปหาความหมายของชีวิตที่ดีด้วยพอมองว่าชีวิตที่ดีคือการที่เราได้ใช้ชีวิตนี้ให้เกิดคุณประโยชน์มีค่าขึ้นและการที่ได้พัฒนาตนเป็นต้นพอมองความหมายของงานในแนวเดียวกันนี้ ความหมายของงานนั้นก็มาช่วยเสริมในแง่ที่เกิดความสัมพันธ์อย่างสอดคล้องกันคือความหมายของงานกับความหมายของชีวิตมาสัมพันธ์เสริมย้ำซึ่งกันและกันแล้วศรัทธาก็จะเกิดขึ้นอย่างมั่นคงอันนี้ก็เป็นเรื่องของศรัทธาทีนี้มองต่อไปอีกให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเรื่องนี้ไม่ใช่อยู่แค่ศรัทธาเท่านั้นถ้าเราวิเคราะห์จิตใจของคนที่ทำงาน จะเห็นว่าแม้แต่ศรัทธาก็เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่เรียกว่าแรงจูงใจเมื่อมาทํางานเราก็ต้องมีแรงจูงใจทั้งนั้นทั้งหมดที่พูดมาก็อยู่ในหลักการของเรื่องแรงจูงใจทั้งสิ้นคนเราจะทํากิจกรรมอะไรก็ต้องมีแรงจูงใจเมื่อมาทํางานเราก็ต้องมีแรงจูงใจให้มาทํางานแรงจูงใจจึงเป็นหลักใหญ่ในการแบ่งประเภทของการทํางาน แรงจูงใจนั้นมีอยู่สองประเภทใหญ่ๆด้วยกันแรงจูงใจด้านหนึ่งที่เป็นหลักใหญ่ๆคือความต้องการผลตอบแทนต้องการผลประโยชน์ต้องการเงินทองอันนี้เป็นแรงจูงใจที่มุ่งเข้าหาตัวเองเป็นความปรารถนาส่วนตัวหรือเห็นแก่ตัวทางพระท่านเรียกว่าแรงจูงใจแบบตันหา ที่นี้ต่อจากตัญหายังมีอีกเราต้องการความสำเร็จแต่ความสำเร็จนั้นเป็นความสำเร็จของตัวเราโดยเฉพาะความสำเร็จของตัวเราในรูปของความยิ่งใหญ่ในรูปของการได้ตำแหน่งได้ฐานะเป็นต้นอันนี้ก็เป็นแรงจูงใจในแง่ของตัวเองเหมือนกันคือต้องการผลประโยชน์ตอบแทนส่วนตัวในรูปของความสำคัญของตนเองความโดดเด่นเช่นมีตาแหน่งใหญ่โตมีฐานะสูง ข้อนี้เรียกว่าแรงจูงใจแบบมานะมานะนั้นทางพระแปลว่าถือตัวสำคัญคือความอยากให้ตนเองเป็นผู้โดดเด่นมีความสำคัญหรือยิ่งใหญ่ไม่ใช่มานะในความหมายของภาษาไทยว่าความเพียรพยายามตกลงว่าแรงจูงใจสำคัญด้านที่หนึ่งนี้ก็เป็นเรื่องของตันหาและมานะซึ่งสำหรับมนุษย์ปุถุชน ก็เป็นธรรมดาที่จะต้องมีแต่จะทำอย่างไรให้ปราณีตเช่นว่าความต้องการผลตอบแทนในขั้นธรรมดาของมนุษย์ก็ขอให้อยู่ในขอบเขตเพียงว่าสาหรับให้เป็นอยู่ด้วยความสะดวกสบายพอสมควรในโลกนี้หรือเป็นอยู่ดีไม่ถึงกับขัดสนในปัจจัยสี่หรือมานะก็อาจมาในรูปของความภูมิใจในความสาเร็จของงานคือเอาความสาเร็จมาโยงกับงาน ไม่ใช่เป็นเพียงความสำเร็จเพื่อความยิ่งใหญ่ของตนถ้าหากว่าความสำเร็จไปโยงกับตัวงานมันก็ยังเป็นเรื่องของความดีงามได้เรื่องอย่างนี้ทางพระพุทธศาสนาไม่ได้ปฏิเสธท่านยอมรับความจริงของปุถุชนแต่ทำอย่างไรจะให้โยงเข้าไปหาแรงจูงใจที่เป็นธรรมะให้มากขึ้นที่นี้แรงจูงใจพวกที่สอง ก็คือแรงจูงใจเช่นอย่างศรัทธาที่มีต่อ ง, งานที่มีคุณค่าเป็นแรงจูงใจที่ต้องการให้ความดีความงามเกิดมีหรือปรากฏขึ้นความต้องการความดีงามต้องการความจริงต้องการสิ่งที่มีคุณค่าเป็นประโยชน์อะไรต่างเหล่านี้เป็นแรงจูงใจที่ท่านเรียกด้วยคำศัพท์ทางธรรมะอีกคำหนึ่งว่าฉันทะเช่นคนทางานด้วยความต้องการให้เกิดความสงบสุข ความเรียบร้อยความเป็นระเบียบของสังคมถ้าทำงานเป็นแพทย์หรือทำงานเกี่ยวกับโภชนาการก็อยากให้มนุษย์ในสังคมนี้เป็นคนที่มีสุขภาพดีร่างกายแข็งแรงอยากให้มีแต่อาหารที่มีคุณค่าแพร่หลายออกไปในสังคมนี้แรงจูงใจหรือความปรารถนาอย่างนี้ท่านเรียกว่าเป็นแรงจูงใจแบบชันทะแรงจูงใจนี้สาคัญมาก ถ้ามองอีกแง่หนึ่งจะเห็นว่าแรงจูงใจนี้สัมพันธ์กับสมฤทธิผลหรือจุดหมายซึ่งอาจแบ่งได้เป็นจุดหมายของคนกับจุดหมายของงานแรงจูงใจแบบที่หนึ่งที่ต้องการผลตอบแทนเป็นเงินเป็นทองต้องการเกียรติฐานะความยิ่งใหญ่นั้นโยงไปหาจุดหมายของคนที่ทำงานส่วนแรงจูงใจแบบที่สองจะมุ่งตรงไปยังจุดหมายของงาน ตามธรรมดาไม่ว่าเราจะทำงานอะไรงานนั้นย่อมมีจุดหมายเช่นว่าการทำงานแพทย์ก็มีจุดหมายที่จะบำบัดโรคทำให้คนไข้หายโรคให้คนมีสุขภาพดีตัวงานนั้นมีความมุ่งหมายที่ชัดเจนและตรงไปตรงมาถ้าเราทำงานให้การศึกษาเราก็ต้องการผลที่เป็นจุดมุ่งหมายของการศึกษาจุดหมายของงานในการให้การศึกษา ก็คือการที่เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีความรู้มีความประพฤติดีรู้จักดาเนินชีวิตอย่างถูกต้องได้พัฒนาตนเองยิ่งขึ้นไปงานทุกอย่างมีจุดหมายของมันแต่คนที่ไปทำงานก็มีจุดหมายของตัวเองด้วยทีนี้ปัญหาก็อยู่ที่ว่าเมื่อเขาไปทำงานนั้นเขาจะทำงานเพื่อจุดหมายของคนหรือทำงานเพื่อจุดหมายของงาน ถ้าเขาทํางานด้วยแรงจูงใจแบบที่หนึ่งจุดหมายที่อยู่ในใจของเขาก็จะเป็นจุดหมายของคนคือทํางานเพื่อจุดหมายของคนให้ตนได้นั่นได้นี่แต่ถ้าเขาทํางานด้วยแรงจูงใจแบบที่สองเขาก็จะทํางานเพื่อจุดหมายของงานให้งานเกิดผลเป็นประโยชน์ตามคุณค่าของมันทีนี้ในการที่เป็นปุถุชน เมื่อยังมีกิเลสก็ต้องประสานประโยชน์คือต้องให้จุดหมายของคนไปสัมพันธ์เชื่อมโยงกับจุดหมายของงานหมายความว่าต้องให้ได้จุดหมายของงานเป็นหลักไว้ก่อนแล้วจึงมาเป็นจุดหมายของคนทีหลังคือให้จุดหมายของคนปล่อยพวงต่อมากับจุดหมายของงานถ้าเอาแต่จุดหมายของคนแล้วบางทีงานไม่สำเร็จและเสียงานด้วย คือคนนั้นมุ่งแต่จุดหมายของคนอย่างเดียวจะเอาแต่ตัวได้เงินได้ทองไม่ได้ต้องการให้งานสำเร็จไม่ได้ต้องการเห็นผลดีที่จะเกิดจากงานนั้นไม่ได้มีความคิดที่จะเอาธุระหรือเห็นความสำคัญเกี่ยวกับตัวงานเพราะฉะนั้นจึงพยายามเลี่ยงงานหรือหาทางลัดที่จะไม่ต้องทำงานขอให้ได้เงินหรือผลตอบแทนมาก็แล้วกัน ตกลงว่าแรงจูงใจแบบหนึ่งเป็นเรื่องสัมพันธ์กับจุดหมายของคนและแรงจูงใจอีกแบบหนึ่งเป็นแรงจูงใจที่สัมพันธ์กับจุดหมายของงานซึ่งจะเห็นได้ว่าเมื่อทํางานไปนแล้วได้ผลสําเร็จขึ้นมาจะเป็นผลสําเร็จของคนหรือเป็นผลสําเร็จของงานถ้าจะทํางานให้ถูกต้องก็ต้องมองไปที่ผลสําเร็จของงานไม่ใช่มุ่งเอาแต่ผลสําเร็จของคน ถ้าจะเป็นผลสำเร็จของคนก็เพราะว่าเป็นผลสำเร็จของงานส่งทอดมาอีกต่อหนึ่งคนจำนวนไม่น้อยหวังแต่ผลสำเร็จหรือผลประโยชน์ของคนอย่างเดียวถ้าเป็นอย่างนี้ก็จะเป็นปัญหาต่อการพัฒนาประเทศชาติการพัฒนาประเทศชาติและการแก้ปัญหาของสังคมก็ยากที่จะบรรลุความสำเร็จและจะส่งผลต่อไปถึงสภาพจิตใจ ดังที่ได้พูดมาแล้วว่าสภาพจิตใจกับการทำงานส่งผลย้อนกลับกันไปมาคือสภาพจิตใจที่ดีส่งผลต่อการทำงานให้ทำงานได้ดีและการทำงานได้ดีมีผลสำเร็จก็ส่งผลย้อนกลับไปหาสภาพจิตใจทำให้มีกำลังใจเป็นต้นอีกทีหนึ่งเช่นเรื่องสภาพจิตใจในด้านแรงจูงใจกับการมุ่งวัตถุประสงค์ หรือจุดมุ่งหมายของคนหรือของงานซึ่งจะส่งผลต่อสภาพจิตใจของคนให้เป็นไปต่างๆกันทำงานอย่างไรจึงจะได้ความสุข ในสมัยปัจจุบันโดยเฉพาะในสภาพการทำงานที่มีความหมายแบบตะวันตกได้มีคำพูดสำคัญคำหนึ่งมาเข้าคู่กับการทำงานยิ่งท้าไม่มีความบากบันสู้งานที่เป็นแรงจูงใจที่ถูกต้องในการทำงานแบบตะวันตกด้วยแล้วก็จะมีปัญหาอย่างมากกล่าวคืองานนั้นจะเป็นสิ่งที่คู่กับความเครียดความเครียดเนี่ย กำลังเป็นปัญหาสำคัญของอริยธรรมของมนุษย์ในโลกยุค ป, ปัจจุบันในสังคมตะวันตกปัจจุบันนี้คนยังมีนิสัยสู้งานที่ได้สะสมมาตั้งแต่อดีตยังติดยังฝังอยู่แต่มาในระยะหลังๆนี้ความใฝ่ในการบริโภคก็มากขึ้นส่วนในสังคมไทยของเรานี่มีผู้กล่าวว่ามีค่านิยมบริโภคมากไม่ค่อยมีค่านิยมผลิตจึงจะยิ่งมีปัญหาหนักกว่าเขาอีก เราค่านิยมบริโภคจะขัดแย้งกับกระบวนการทำงานเนื่องจากการทำงานต้องการความอดทนต้องต่อสู้กับความยากลำบากยิ่งเมื่อไม่มีนิสัยสู้งานเป็นพื้นฐานรองรับอยู่ด้วยคนที่นิยมบริโภคจะไม่สามารถทนได้จะจำใจทำทำด้วยความฝืนใจจะรอคอยแต่เวลาที่จะได้บริโภคความต้องการก็ขัดแย้งกัน และเมื่อความต้องการขัดแย้งกันก็เกิดภาวะที่เรียกว่าเครียดทำงานด้วยความเครียดคนที่มีค่านิยมบริโภคมากเมื่อต้องทำงานมากก็ยิ่งเครียดมากโดยเฉพาะคนที่ต้องการผลตอบแทนทางวัตถุทำงานไปก็ทำด้วยความกระวนกระวายเกิดความขัดแย้งในจิตใจมีความกังวลว่าผลตอบแทนที่เราต้องการจะได้หรือเปล่า จะได้น้อยกว่าที่ตั้งความหวังหรือเปล่าหรือว่าเราอาจจะถูกแย่งผลตอบแทนไปหรือถูกแย่งตำแหน่งฐานะไปความห่วงกังวลต่างๆเนี่ยทำให้เกิดความเครียดซึ่งเป็นปัญหาทางจิตใจที่สำคัญโดยเฉพาะเมื่อจุดหมายของคนกับจุดหมายของงานมีความลักลั่นขัดแย้งกันเช่นงานเสร็จเงินยังไม่มาหรือว่าตาแหน่งยังไม่ได้ ล้วนแต่ทำให้เกิดปัญหาและทําให้เกิดความเครียดได้ทั้งสิน้นและปัญหาเหล่านี้รวมทั้งความเครียดนั้นก็เกิดจากแรงจูงใจประเภทที่หนึ่งที่เรียกว่าตัณหามานะโดยเฉพาะค่านิยมบริโภคและค่านิยมโกหรูหราซึ่งกําลังแพร่หลายอยู่ในสังคมของเราและบางทีก็ถึงกับมองกันว่าเป็นเรื่องที่ดีส่วนแรงจูงใจที่ถูกทํา คือถูกธรรมะคือทำงานด้วยใจที่ใฝ่สร้างสรรค์มองงานเป็นโอกาสที่จะได้พัฒนาตนต้องการพัฒนาประเทศชาติหรือทำประโยชน์แก่สังคมต้องการผลสำเร็จของงานหรือทำงานเพื่อจุดหมายของงานแท้แม้แต่คนที่ทำงานด้วยแรงจูงใจแบบนี้ก็สามารถมีความเครียดได้เพราะมีความเร่งรัดอยากจะรีบร้อนทาและมีความห่วงกังวลเกรงงานจะไม่เสร็จ จิตใจก็ไม่สบายจึงมีความเครียดได้เหมือนกันต่างแต่ว่าจะเป็นความเครียดที่เบากว่าและประนีตกว่าเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นฝ่ายที่มีแรงจูงใจไม่ดีก็ตามมีแรงจูงใจที่ดีก็ตามก็ยังมีความเครียดได้มีปัญหาได้ทั้งนั้นนี่ก็เป็นระดับหนึ่งของสภาพชีวิตจิตใจซึ่งเราสามารถแยกความแตกต่างได้ว่าในฝ่ายหนึ่ง แรงจูงใจเพื่อจุดหมายของคนซึ่งมุ่งเอาประโยชน์ส่วนตัวด้วยตันหามานะมีโทษต่อสังคมและต่อชีวิตมากส่วนไฟล์ที่สองแรงจูงใจเพื่อจุดหมายของงานมีคุณค่ามากมีคุณประโยชน์ต่อสังคมมากพัฒนาชีวิตคนได้ดีแต่ก็ยังมีปัญหาได้เหมือนกันตกลงทั้งสองอย่างยังมีปัญหาอยู่ยังต้องแก้ไขกันต่อไป ทำอย่างไรจะแก้ไขให้การทำงานมีส่วนที่เป็นคุณอย่างเดียวเป็นประโยชน์แก่ชีวิตโดยสมบูรณ์อันนี้เป็นขั้นต่อไปต่อไปก็มาถึงขั้นที่ว่าทั้งทำงานดีและมีความสุขด้วยซึ่งจะต้องมีการตั้งท่าทีที่ถูกต้องและตอนนี้จะเป็นเรื่องของการพัฒนาจิตใจและพัฒนาปัญญาควบคู่ไปกับการทำงาน เมื่อกี้นี้เราเอางานมาพัฒนาชีวิตจิตใจของเราแต่อีกด้านหนึ่งในการทำงานนั้นเราจะต้องพัฒนาชีวิตจิตใจของเราไปด้วยเพื่อเอาชีวิตจิตใจที่ดีไปพัฒนาการทำงานการทำงานที่จะให้ได้ผลดีและมีความสุขด้วยนั้นมีอะไรหลายแง่ที่จะต้องพิจารณาแง่ที่หนึ่งก็อย่างที่ว่าเมื่อกี้คือ ในการที่จะให้เกิดผลดีต่อชีวิตและสังคมเราก็ต้องมีแรงจูงใจที่ถูกต้องต้องการจุดหมายของงานมีชันทะมีความใฝ่ดีมีความใฝ่สร้างสรรและพร้อมกับการมีชันทะนั้นก็ต้องมีความรู้เท่าทันความจริงอันนี้เป็นเรื่องของปัญญารู้เท่าทันความจริงอย่างน้อยรู้เท่าทันว่าสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัย เพียงตั้งท่าทีของจิตใจแบบรู้เท่าทันขึ้นมาแค่นี้เท่านั้นเราก็จะเริ่มมีความสุขง่ายขึ้นทันทีเราจะมองดูสิ่งต่างๆด้วยสายตาที่มองเห็นถูกต้องมากขึ้นแม้แต่ในการทำงานของเราในขณะที่เรากำลังเร่งงานเต็มที่ขยันเอาใจใส่เต็มที่เรากลับจะมีความกระวนกระวายน้อยลงหรือทางานด้วยความไม่กระวนกระวาย คือมีความรู้เท่าทันว่าสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัยขณะนี้เรากำลังทำเหตุปัจจัยเราก็ทำเหตุปัจจัยของเราให้เต็มที่ส่วนผลนั้นมันก็เป็นไปนตามเหตุปัจจัยพอวางใจอย่างนี้ก็สบายไม่ต้องห่วงกังวลกับผลเราทำเหตุของเราให้ดีก็แล้วกันอันนี้เป็นข้อที่หนึ่งกล่าวคือ วควบคู่กับแรงจูงใจที่ถูกต้องหรือฉันทะนั้นก็ให้มีการรู้เท่าทันความจริงด้วยอย่างน้อยให้ทำใจว่าสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัยมองไปตามเหตุปัจจัยข้อนี้เป็นท่าทีพื้นฐานตามหลักธรรมที่ว่าให้มองสิ่งทั้งหลายว่าเป็นไปตามเหตุปัจจัยเป็นการทำใจขั้นที่หนึ่ง ต่อไปแง่ที่สองก็คือเวลาทำงานเรามักมีความรู้สึกแบ่งแยกหรือแยกตัวออกไปว่านี่ตัวเรานี่ชีวิตของเรานั่นงานเราจะต้องทำงานตลอดจนรู้สึกว่างานเป็นเรื่องเหน็ดเหนื่อยต้องตราตรำไม่มองว่างานนี่แหละเป็นเนื้อแท้เป็นเนื้อเป็นตัวของชีวิตที่จริงนั้นงานไม่ใช่สิ่งต่างหากจากชีวิต งานที่เราบอกว่าเป็นกิจกรรมของชีวิตนั้นที่จริงมันเป็นตัวการดาเนินชีวิตของเราเลยทีเดียวในชีวิตของเราที่เป็นไปอยู่นี้งานนั่นเองคือความเป็นไปของชีวิตเพราะฉะนั้นการทำงานจึงเป็นเนื้อหาหรือเนื้อตัวของชีวิตของเราเองเมื่อทำงานเราอย่าไปมีความรู้สึกแยกว่านั่นเป็นงาน เป็นกิจกรรมต่างหากจากชีวิตของเราการที่มีความรู้สึกว่าเราจะต้องไปเหน็ดเหนื่อยรากราหรือว่ามันเป็นเรื่องหนักเรื่องทนที่เราจะต้องทำงานต่อไปรอหน่อยเถอะเราทำงานเสร็จแล้วจะได้ไปหาเวลาพักผ่อนความนึกคิดอย่างนี้จะทำให้เกิดความรู้สึกแปลกแยกและเกิดความรู้สึกที่ครุนคิดเหมือนถูกกดถูกทับอยู่อยากจะพ้นไปซะเกิดความเครียดเกิดความกังวล เกิดความห่วงเกิดความหวังในเบื้องต้นคนเราต้องอยู่ด้วยความหวังแต่พอถึงขั้นหนึ่งแล้วไม่ต้องหวังเพราะความหวังสำเร็จจบสิ้นอยู่ในตัวตอนนี้จะมีความสุขยิ่งกว่าตอนแรกที่มีความหวังคนที่ไม่มีความหวังเลยจะมีความทุกข์มากในขั้นต่อมาเขาจึงมีความสุขด้วยการที่มีความหวังเขามีความหวังว่า หลังจากนี้แล้วเขาจะได้จะพบสิ่งที่ปรารถนาและเขาก็จะหาความสุขได้จะสบายเขามีความหวังอย่างนี้และเขาก็มีความสุขแต่ความหวังนั้นเป็นคู่กันกับความห่วงและความกังวลดังนั้นร้วมกับการมีความสุขด้วยความหวังนั้นเขาก็มีความกังวลและเป็นความทุกข์อย่างหนึ่งที่ต้องรอความหวัง ส่วนคนอีกชนิดหนึ่งนั้นอยู่เหนือความหวังหรือลอยพ้นเลยความหวังไปแล้วคือไม่ต้องอยู่ด้วยความหวังไม่ต้องอาศัยความสุขจากความหวังหรือว่าความสุขของเขาไม่ต้องขึ้นต่อความหวังเพราะชีวิตเป็นความสุขตลอดเวลาโดยไม่ต้องหวังเลยและไม่ต้องห่วงกังวลเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทางานให้ได้ผลดีโดยที่ว่าชีวิตก็มีความสุขและงานก็ได้ผลดีด้วย ก็ควรจะมาให้ถึงขั้นนี้คือขั้นที่ว่ามองงานกับชีวิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมองว่างานเป็นกิจกรรมที่เป็นเนื้อเป็นตัวของชีวิตแท้ๆแล้วเราก็ทำงานไปอย่างที่รู้สึกว่ามันเป็นการดำเนินชีวิตของเราเองและดำเนินชีวิตนั้นให้ดีที่สุดต่อไปอีกด้านหนึ่งก็คือเมื่อเราทางานไป ไม่ว่าจะมองในความหมายว่าเป็นการพัฒนาตนเองก็ตามเป็นการทำงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนหรือของสังคมก็ตามในเวลาที่ทำอยู่นั้นสภาพจิตใจอย่างหนึ่งที่ควรเกิดขึ้นก็คือความร่าเริงบันเทิงใจความเบิกบานใจการทำงานในความหมายบางอย่างก็เอื้อต่อ ก, การเกิดสภาพจิตอย่างนี้อยู่แล้วเช่นถ้ารอศรัทธาในความหมายของงานในคุณค่าของงาน เราทำงานไปก็ทำจิตใจของเราให้ร่าเริงได้ง่ายแต่การที่จะให้ร่าเริงนั้นบางทีก็ต้องทำตัวทำใจเหมือนกันไม่ใช่ว่ามันจะเกิดขึ้นมาเฉยๆเราต้องตั้งท่าทีของจิตใจให้ถูกต้องบอกตัวเองเราใจตัวเองให้ร่าเริงทำใจให้ร่าเริงเบิกบานอยู่เสมอสภาพจิตอย่างนี้ทางพระเรียกว่ามีปราโมท ทางพระบอกว่าสภาพจิตที่ดีของคนนั้นก็คือ 1. มีปราโมทความร่าเริงเบิกบานใจ 2. มีปีติความอิ่มใจและ3 ม, มีปสัสสติความผ่อนคลายหรือสงบเย็นเมื่อผ่อนคลายก็ไม่เครียดข้อที่สมนี้มีความสำคัญมากในยุคปัจจุบันเป็นข้อที่จะช่วยแก้ปัญหาสภาพจิต ตามแบบวัฒนธรรมสมัยใหม่ของยุคอุตสาหกรรมพอมีปัสสติคือความผ่อนคลายหรือสงบเย็นแล้วก็มีข้อที่สี่คือมีความสุขจิตใจก็คล่องสบายแล้วก็ข้อที่หมีสมาธิอยู่ตัวแน่วแน่แนบสนิทและมั่นคงไม่วอกแวกไม่ฟุ้งซ่านไม่หวั่นไหวเรียบสม่ำเสมออยู่กับกิจอยู่กับงาน เหมือนดังกลืนเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับงานซึ่งหมายถึงว่าสมาธิในการทำงานก็เกิดขึ้นด้วยองค์ประกอบห้าตัวนี้เป็นสภาพจิตของคนที่ปฏิบัติธรรมดังนั้นในการเป็นอยู่และในการทำกิจกรรมทุกอย่างเราจึงปฏิบัติธรรมได้ทั้งนั้นเมื่อเราดำเนินชีวิตถูกต้องทำสิ่งนั้นนั้นได้ถูกต้องเรามีสภาพจิตทั้งห้าอย่างนี้ ก็เรียกว่าเรากําลังปฏิบัติธรรมตลอดเวลาหลายคนไปมองการปฏิบัติธรรมแยกจากชีวิตออกไปต้องรอไปเข้าป่าไปอยู่วัดซึ่งไม่จำเป็นการปฏิบัติธรรมอย่างนั้นอาจเป็นคอร์สแบบอินเทนซีฟแต่ในปัจจุบันคือทุกขณะเนี่ยเราต้องปฏิบัติธรรมตลอดเวลาถ้าท่านปฏิบัติได้อย่างนี้ตลอดเวลาแล้ว การปฏิบัติอย่างที่เรียกว่า intensive course ก็ไม่จำเป็นสำหรับบางคนจำเป็นเพราะเขาไม่เคยฝึกตนเลยทีนี้ถ้าเราฝึกตัวเองตลอดเวลาด้วยการทำงานแบบนี้เราก็ปฏิบัติทำตลอดเวลาอยู่แล้วเราทำงานไปโดยมีสภาพจิตดีสภาพจิตแบบนี้จะไม่มีปัญหาสุขภาพจิตเลย เพราะมันเป็นสุขภาพจิตเองอยู่แล้วในตัวเป็นสุขภาพจิตที่ดีโดยสมบูรณ์ขอให้มีปราโมทให้มีปีติมีปสัสทินมีสุขมีสมาธิเกิดถ้าทำอย่างนี้แล้วสบายงานก็ได้ผลด้วยจิตใจก็ดีด้วยถ้าทำงานอย่างนี้ก็กลายเป็นทำงานเพื่อธรรมะแล้วและคนอย่างนี้จะไม่ค่อยคำนึงถึงผลตอบแทน ไม่ต้องรอความสุขจากผลตอบแทนคนที่มุ่งผลตอบแทนก็ต้องรอว่าเมื่อไรเขาได้ผลตอบแทนเป็นเงินเป็นทองแล้วจึงจะมีความสุขได้ระหว่างนั้นก็ทุกทับตายทำงานด้วยความทุกข์แล้วรอความสุขอยู่เรื่อยไปจะได้หรือไม่ได้ก็ยังไม่แน่นอนไม่มั่นใจแต่การปฏิบัติอย่างนี้ได้ทั้งงานได้ทั้งความสุขเสร็จไปในตัว ทีนี้พอถึงขั้นทำงานยังมีความสุขโดยไม่ต้องหวังไม่ต้องห่วงผลตอบแทนแล้วเราทำงานไปชีวิตแต่ละขณะก็จะเป็นความเต็มสมบูรณ์ของชีวิตในทุกขณะนั้นๆตอนนี้หละจะถึงจุดรวมที่ทุกอย่างมาอยู่ด้วยกันทั้งงานทั้งชีวิตและความสุขจะสำเร็จในแต่ละขณะตรงนี้หละเป็นหัวใจสาคัญในตอนแรกนั้นเป็นเหมือนว่าเราแยกงานแยกชีวิตแยกความสุขเป็นส่วน แต่พอถึงตอนนี้ทำไปทำมาทุกอย่างมารวมอยู่ด้วยกันทั้งหมดในขณะเดียวตราบใดเรายังแยกเป็นส่วนๆและแยกตามเวลาตราบนั้นชีวิตจะต้องดิ้นรนคอยหาและหลบหนีสิ่งเหล่านั้นทีละอย่างทีละอย่างอยู่ตลอดเวลาคือเป็นชีวิตที่ตามหาวันพรุ่งนี้ซึ่งไม่มาสักทีแต่ถ้าทำให้เป็นปัจจุบันเสียทุกเวลาก็ครบถ้วนอยู่ด้วยกัน ทุกอย่างก็สมบูรณ์ชีวิตงานและธรรมะความประสานสู่เอกภาพในสภาพอย่างนี้เราจะมองเห็นพัฒนาการของคนในการทำงาน มองเห็นพัฒนาการของชีวิตในลักษณะที่ว่าตอนตอน้นคนจํานวนมากมองแบบปุตุชนว่างานเพื่อชีวิตคือเราทํางานเพื่อจะได้ผลตอบแทนมาเลี้ยงชีวิตชีวิตของเราอาศัยงานคือเราอาศัยงานเพื่อให้ชีวิตของเราเป็นอยู่ได้ต่อมาจะเห็นว่ามีการก้าวหน้าไปอีกขั้นหนึ่งคือกลายเป็นงานเพื่อ ง, งาน ตอนนี้งานก็เพื่องานนั่นแหละคือเพื่อให้งานนั้นสำเร็จด้วยดีเพื่อจุดมุ่งหมายของงานตรงไปตรงมาที่ว่างานเพื่อชีวิตนั้นเป็นเรื่องของเงื่อนไขไม่ใช่เป็นเหตุปัจจัยจะต้องมองความเป็นเหตุปัจจัยและการเป็นเงื่อนไขว่าเป็นคนละอย่างงานเพื่อชีวิตนั้นแท้จริงแล้วไม่ใช่ความสัมพันธ์ตามเหตุปัจจัย งานไม่ใช่เป็นเหตุปัจจัยของชีวิตแต่งานเป็นเงื่อนไขเพื่อให้ได้ผลตอบแทนมาเลี้ยงชีวิตแต่ถ้างานเพื่องานแล้วก็เป็นเรื่องของเหตุปัจจัยโดยตรงงานอะไรก็เพื่อจุดหมายของงานอันนั้นเช่นงานของแพทย์คือการรักษาโรคก็เพื่อจุดมุ่งหมายของงานคือทำให้คนหายโรคทำงานโภชนาการก็เพื่อให้คนได้กินอาหารดี แล้วคนก็จะได้มีสุขภาพดีเป็นจุดหมายของงานโดยตรงงานก็เพื่องานเมื่อเราทำงานเพื่องานแล้วไปไปมามางานที่ทำนั้นก็กลายเป็นกิจกรรมหลักของชีวิตของเรากลายเป็นตัวชีวิตของเรางานเพื่อ ง, งานก็กลายเป็นชีวิตเพื่องานชีวิตของเราก็กลายเป็นชีวิตเพื่องานทำงานไปทำงานมา ชีวิตของเรากลายเป็นชีวิตเพื่องานอันหนึ่งร้อมกับที่ว่าเป็นงานเพื่องานนั่นแหละมันก็เป็นธรรมะไปในตัวเหมือนอย่างที่บอกว่าทำงานเพื่อประโยชน์สุขแก่สังคมหรือว่าแพทย์ทำให้คนไข้มีสุขภาพดีทำให้เกิดประโยชน์สุขแก่สังคมและการช่วยให้คนมีสุขภาพดีก็เป็นตัวธรรมะการที่ครูให้การศึกษาแก่เด็กนักเรียน ทำให้นักเรียนมีการศึกษามีสติปัญญาการที่มีสติปัญญาการที่มีชีวิตที่ดีงามก็เป็นธรรมคือธรรมะเพราะฉะนั้นงานนั้นก็เพื่อธรรมหรือธรรมะเมื่อเราเอาชีวิตของเราเป็นงานเอางานของเราเป็นชีวิตไปแล้วก็กลายเป็นว่าชีวิตของเราก็เพื่อธรรมหรือธรรมะงานก็เพื่อธรรมคือธรรมะ ซึ่งมองกันไปให้ถึงที่สุดแล้วไม่ใช่แค่เพื่อเท่านั้นคือที่ว่างานเพื่องงานงานเพื่อธรรมะชีวิตเพื่องานชีวิตเพื่อธรรมะอะไรต่างๆนี้ในที่สุดทั้งหมดนี้ก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเมื่อถึงขั้นนี้ก็ไม่ต้องใช้คำว่าเพื่อแล้วเพราะทําไปรำมาชีวิตก็คืองานงานก็คือชีวิตและงานก็เป็นธรรมหรือธรรมะไปในตัว เมื่องานเป็นธรรมคือธรรมะชีวิตก็เลยเป็นธรรมด้วยตกลงว่าทั้งชีวิตทั้งงานก็เป็นธรรมไปหมดพอถึงจุดนี้ก็เข้าถึงเอกภาพที่แท้จริงแล้วทุกอย่างก็จะถึงจุดที่สมบูรณ์ในแต่ละขณะอย่างที่กล่าวแล้วหมายเหตุผู้อ่านคำว่าธรรมคือธรรมะนั้นเนื่องจากเป็นการอ่านให้ฟังดังนั้นจะเน้นอ่านว่าธรรมะนะครับ เพื่อไม่ให้สับสนกับคําว่าธรรมคือการกระทําในภาวะแห่งเอกภาพที่ชีวิตงานและธรรมหรือธรรมะประสานกลมกลืนเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนั้นคนที่ทํางานก็จะมีชีวิตและงานและธรรมะสมบูรณ์พร้อมในแต่ละขณะที่เป็นปัจจุบันและจะมีแต่ชีวิตและงานที่มีความสุข ไม่ใช่ชีวิตและงานที่มีความเศร้านี้เป็นประการที่หนึ่งประการที่สองชีวิตนั้นมีคุณค่าเป็นประโยชน์ไม่มีโทษและประการที่สชีวิตนี้และงานนั้นดำเนินไปอย่างจริงจังกระตือรือร้นไม่เฉื่อยชาไม่ประมาทลักษณะของงานอย่างหนึ่งที่เป็นโทษก็คือความเฉื่อยชาความท้อแท้ ขาดความกระตือรือรน้นซึ่งโยงไปถึงสภาพจิตด้วยเมื่อเราได้คุณลักษณะของการทำงานและชีวิตอย่างที่ว่ามานี้เราก็ได้คุณภาพที่ดีทั้งสามด้านคือได้ทั้งความสุขได้คุณประโยชน์หรือคุณค่าและได้ทั้งความจริงจังกระตือรือรน้นซึ่งเป็นเนื้อแท้ในตัวของงานด้วยถ้าเป็นอย่างนี้แล้วชีวิตนั้นก็เป็นชีวิตที่มีความสมบูรณ์ในตัวเอง ซึ่งในแง่ของงานก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับงานแล้วก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับประโยชน์สุขที่จะเกิดแก่ชีวิตและสังคมของมนุษย์ด้วยชีวิตอย่างเนี้ยจึงมีความหมายเท่ากับประโยชน์สุขด้วยหมายความว่าชีวิตคือประโยชน์สุขและการเป็นอยู่ของชีวิตนั้นมาถึงการเกิดขึ้นและการดารงอยู่ของประโยชน์สุขด้วย คนผู้ใดมีชีวิตอยู่อย่างนี้การเป็นอยู่ของเขาก็คือประโยชน์สุขที่เกิดขึ้นแก่เพื่อนมนุษย์แก่ชีวิตแก่สังคมตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าผู้เป็นอย่างนี้มีชีวิตยืนยาวเท่าไรก็เท่ากับทำให้ประโยชน์สุขแก่สังคมแก่มนุษย์แผ่ขยายไปได้มากเท่านั้นดังนั้นอายุที่มากขึ้นก็คือประโยชน์สุขของคนที่มากขึ้นแพร่หลายกว้างขวางยิ่งขึ้นในสังคม ครั้งหนึ่งท่านพระสารีบุตรอ克拉สาวกฝ่ายขวาของพระพุทธเจ้าทูลถามว่าถ้าพระพุทธเจ้ามีอันเป็นอะไรไปท่านจะมีความโศกเศร้าไหมพระสารีบุตรตอบว่าถ้าพระพุทธเจ้ามีอันเป็นอะไรไปข้าพเจ้าจะไม่มีความโศกเศร้าแต่ข้าพระเจ้าจะมีความคิดว่าท่านผู้ที่มีคุณความดีมากมีประโยชน์มากได้รับล่วงไปเสียแล้ว ถ้าหากท่านดำรงอยู่ในโลกนี้ไปได้นานเท่าไรก็จะยิ่งเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่คนจํานวนมากเท่านั้นท่านตอบอย่างเนี้ยก็หมายความว่าเป็นการตั้งท่าทีที่ถูกต้องต่อกันทั้งต่อตัวของท่านเองและต่อชีวิตของท่านผู้อื่นด้วยก็อย่างที่ว่ามาแล้วว่าชีวิตที่ยืนยาวอยู่ในโลกของคนที่มีคุณสมบัติเช่นนี้ก็คือความแพร่หลายของประโยชน์สุขมากยิ่งขึ้น ชีวิตงานและธรรมหรือธรรมะอิสรภาพภายในเอกภาพเท่าที่ได้กล่าวมาในเรื่องชีวิตนี้เพื่องานและงานนี้เพื่อธรรมะทั้งหมดนี้ก็เป็นในยะหนึ่งของความหมายแต่ถ้าจะวิเคราะห์ อ, อีกแบบหนึ่งซึ่งหัวข้อที่ตั้งไว้ก็ได้แยกชีวิตกับงานออกเป็นคำสองคำ เมื่อกี้เราได้ดึงเอาชีวิตกับงานมารวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วแต่ถึงอย่างนั้นในแง่ของความเป็นจริงมันก็ยังเป็นคำพูดคนละคำชีวิตก็เป็นอันหนึ่งงานก็เป็นอันหนึ่งเพียงแต่เรามาโยงให้เป็นเอกภาพทีนี้แง่ที่ชีวิตกับงานเป็นคนละคำยังเป็นคนละอย่างและยังมีความหมายที่ต่างกัน ก็คืองานนั้นมีลักษณะที่จะต้องทำกันเรื่อยไปไม่สิ้นสุดยังไม่มีความสมบูรณ์เสร็จสิ้นที่แท้จริงเพราะว่างานนั้นสัมพันธ์กับความเปลี่ยนแปลงของกาลาเทศะและของชุมชนสังคมมีความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเมื่อสังคมเปลี่ยนแปลงไปงานที่ทำก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยเพราะฉะนั้นงานจะไม่มีความสมบูรณ์เสร็จสิ้น ต้องมีการเปลี่ยนแปลงต่อไปตามสภาพแวดล้อมของสังคมแต่ชีวิตของคนมีความจบสิ้นในตัวจะไม่ไปกับงานตลอดไปอันนี้ก็เป็นอีกแง่หนึ่งตามที่พูดไปแล้วแม้ว่าชีวิตกับงานจะเป็นเอกภาพกันได้แล้วแต่ในแง่หนึ่งก็ยังมีความต่างอย่างที่ว่างานสำหรับสังคมนี้คงดำเนินต่อไป แต่ชีวิตของคนมีการจบสิ้นได้และจะต้องจบสิ้นไปแม้ว่าเราจะไม่สามารถทำให้งานมีความสมบูรณ์เสร็จสิ้นแต่ชีวิตของเราแต่และชีวิตเราควรจะทำให้สมบูรณ์และชีวิตของเราในโลกนี้เราก็สามารถทำให้สมบูรณ์ได้ด้วยทำอย่างไรจะให้สมบูรณ์ในทางพระพุทธศาสนาไดแสดงหลักเกี่ยวกับจุดหมายของชีวิตไว้สามขั้นว่า ชีวิตที่เกิดขึ้นมานั้นแม้ว่ามันจะไม่มีจุดหมายของมันเองเราก็ควรทำให้มีจุดหมายเราอาจจะตอบไม่ได้ว่าชีวิตนี้เกิดมามีจุดมุ่งหมายหรือไม่เพราะเมื่อว่าตามหลักธรรมแล้วชีวิตนี้เกิดมาพร้อมด้วยอวิชชาชีวิตไม่ได้บอกเราว่ามันมีจุดมุ่งหมายอย่างนั้นอย่างนี้แต่เราก็สามารถตั้งความมุ่งหมายให้แก่มันได้ด้วยการศึกษาและเข้าใจชีวิต ก็มองเห็นว่าชีวิตนี้จะเป็นอยู่ดีจะต้องมีคุณภาพจะต้องเข้าถึงสิ่งหรือสภาวะที่มีคุณค่าหรือเป็นประโยชน์แก่มันอย่างแท้จริงด้วยเหตุนี้ทางพระจึงได้แสดงไว้ว่าเมื่อเกิดมาแล้วชีวิตของเราควรเข้าถึงจุดหมายระดับต่างๆเพื่อให้เป็นชีวิตที่สมบูรณ์ซึ่งเป็นเรื่องที่เราจะต้องทำให้แก่ชีวิตของเราเอง ให้มันมีให้มันเป็นได้อย่างนั้นประโยชน์หรือจุดหมายนี้ท่านแบ่งเป็นสามขัน้นจุดหมายที่หนึ่งเรียกว่าจุดหมายที่ตามองเห็นจุดหมายของชีวิตที่ตามองเห็นโดยพื้นฐานที่สุดถ้าพูดด้วยภาษาของคนปัจจุบันก็คือการมีรายได้มีทรัพย์สินเงินทองมีปัจจัยสี่พอพึ่งตัวเองได้ การเป็นที่ยอมรับและอยู่ร่วมกับคนอื่นได้เรื่องผลประโยชน์และความจำเป็นต่างๆทางวัตถุและทางสังคมเหล่านี้ชีวิตของเราจำเป็นต้องพึ่งอาศัยรอปฏิเสธไม่ได้พูดง่ายๆก็คือการพึ่งตัวเองได้ในทางเศรษฐกิจและสังคมเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องกระทาให้เกิดให้มีทุกคนควรที่จะต้องพิจารณาตัวเองว่าในขั้นที่หนึ่งเกี่ยวกับการมีทรัพย์ ที่จะใช้สอยมีปัจจัยที่พออยู่ได้การสัมพันธ์ในทางที่ดีกับผู้อื่นในสังคมเรื่องของความอยู่ดีพึงตนเองได้ในทางเศรษฐกิจและสังคมซึ่งเป็นประโยชน์ที่ตามองเห็นเนี่ยเราทำได้แค่ไหนบรรลุผลไหมนี่คือขั้นที่หนึ่งที่ท่านให้ใช้เป็นหลักวัดต่อไปขั้นที่สองจุดหมายที่เลยจากตามองเห็นหรือประโยชน์ ซึ่งเลยไกลออกไปข้างหน้าเลยจากที่ตามองเห็นก็คือด้านในหรือด้านจิตใจหมายถึงการพัฒนาชีวิตจิตใจรวมทั้งการมีความสุขในการทางานการมองเห็นคุณค่าของงานในแง่ความหมายที่แท้จริงว่าเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์หรือเพื่อสันติสุขความประพฤติสุจริตพร้อมที่จะเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมได้ต่าง สภาพเหล่านี้ซึ่งทำให้เกิดความมั่นใจและเออบอิ่มภายในจิตใจเป็นความสุขที่ลึกซึ้งนี่เป็นสิ่งที่เลยจากตามองเห็นซึ่งคนหลายคนแม้จะมีประโยชน์ที่ตามองเห็นพรั่งพร้อมบริบูรณ์แต่ไม่มีความสุขที่แท้จริงเลยเพราะพลนจากที่ตามองเห็นไปแล้วจิตใจไม่พร้อมไม่ได้พัฒนาเพียงพอเพราะฉะนั้นต้องมองว่าในส่วนที่มองไม่เห็น คือเลยไปกว่านั้นยังมีอีกส่วนหนึ่งแล้วส่วนนั้นของเราแค่ไหนเพียงไรสุดท้ายจุดหมายที่พ้นเหนือโลกหรือจุดหมายที่พ้นเป็นอิสระเรียกว่าประโยชน์สูงสุดคือประโยชน์เหนือทั้งที่ตามองเห็นและที่เลยจากตามองเห็นประโยชน์ในขั้นที่สองนั้น แม้จะเลยจากที่ตามองเห็นไปแล้วก็ยังเป็นเพียงเรื่องของนามธรรมาในระดับของความดีงามต่างๆซึ่งแม้จะสูงแม้จะประเสริฐก็ยังมีความยึดความติดอยู่ในความดีความงามต่างๆเหล่านั้นและยังอยู่ในข่ายของความทุกข์ยังไม่พ้นเป็นอิสระแท้จริงส่วนจุดมุ่งหมายขั้นสุดท้ายนี้ก็คือการอยู่เหนือสิ่งเหล่านั้นขึ้นไป คือความเป็นอิสระโดยสมบูรณ์ซึ่งทางพระพุทธศาสนาถือว่าความเป็นอิสระโดยสมบูรณ์เป็นจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของชีวิตตอนนี้แม้แต่งานที่ว่าสำคัญเราก็ต้องอยู่เหนือมันเพราะถึงแม้ว่างานกับชีวิตของเราจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแต่ตราบใดที่เรายังมีความติดในงานนั้นอยู่ยังยึดถือเป็นตัวเราเป็นของเรา งานแม้จะเป็นสิ่งที่ดีงามมีคุณค่าเป็นประโยชน์แต่เราก็จะเกิดความทุกข์จากงานนั้นได้จึงจะต้องมาถึงขั้นสุดท้ายอีกขั้นหนึ่งคือความหลุดพ้นเป็นอิสระโดยสมบูรณ์อยู่เหนือสิ่งทั้งปวงแม้แต่สิ่งที่เรียกว่างานในขั้นนี้เราจะทํางานให้ดีที่สุดโดยที่จิตใจไม่ติดค้างกังวลอยู่กับงานไม่ว่าในแง่ที่ตัวเราจะได้รับผลอะไรจากงานนั้น หรือในแง่ว่างานจะทำให้ตัวเราได้เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นหรือแม้แต่ในแง่ว่างานของเราจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นการมองตามเหตุปัจจัยนั้นเป็นตัวต้นทางที่จะทำให้เรามาถึงขั้นนี้ในเวลาที่ทำงานเราทำด้วยความตั้งใจอย่างดีที่สุดแต่มีท่าทีของจิตใจที่ว่ามองไปตามเหตุปัจจัยถ้างานนั้นมันเป็นไปตามเหตุปัจจัย มันก็เป็นเรื่องของเหตุปัจจัยที่จะให้เป็นไปไม่ใช่เรื่องของตัวเราที่จะเข้าไปรับกระทบเข้าไปอยากเข้าไปยึดหรือถือค้างไว้เรามีหน้าที่แต่เพียงทำเหตุปัใจจัยให้ดีที่สุดด้วยความรู้ที่ชัดเจนที่สุดมีแต่ตัวรู้คือรู้ว่าที่ดีงามถูกต้องหรือเหมาะควรเป็นอย่างไรรู้ว่าเหตุปัจจัยที่จะให้เป็นอย่างนั้นคืออะไรแล้วทาตามที่รู้ คือทำเหตุปัจจัยที่รู้ว่าจะให้เกิดผลเป็นการดีงามถูกต้องเหมาะหรือควรอย่างนั้นเมื่อทำเหตุปัจจัยแล้วมันก็เป็นเรื่องของเหตุปัจจัยนั่นแหละที่จะทาให้เกิดผลขึ้นมาเราหมดหน้าที่แค่นั้นไม่ต้องมายุ่งใจนอกเหตุปัจจัยไม่ต้องไปอยากไปยึดตอนนี้ใจของเราก็เรียกว่าลอยพ้นออกมาได้ส่วนหนึ่ง เมื่อใดเราเข้าถึงความจริงโดยสมบูรณ์แล้วจิตใจของเราก็จะเป็นอิสระอย่างแท้จริงซึ่งทำให้ทำงานนั้นได้ผลสมบูรณ์โดยที่พร้อมกันนั้นก็ไม่ทำให้ตัวเราตกไปอยู่ใต้ความกดทับหรือในการบีบคั้นของตัวงานนั้นด้วยแต่เราคงสุขสบายโปร่งใจอยู่ตามปกติของเราอันนี้เป็นประโยชน์สูงสุดในขั้นสุดท้ายถ้าสามารถทาได้อย่างนี้ ชีวิตก็จะมีความสมบูรณ์ในตัวดังเด็กล่าแล้วว่างานไม่ใช่เป็นตัวเราและก็ไม่ใช่เป็นของเราจริงแต่งานนั้นเป็นกิจกรรมของชีวิตเป็นกิจกรรมของสังคมเป็นสิ่งที่ชีวิตของเราเข้าไปสัมพันธ์เกี่ยวข้องและก็ต้องผ่านกันไปในที่สุดงานนั้นเราไม่สามารถทำให้สมบูรณ์แท้จริง เพราะมันขึ้นกับผลที่มีต่อสิ่งอื่นขึ้นกับปัจจัยแวดล้อมกาละเทสะความเปลี่ยนแปลงของสังคมคนอื่นจะต้องมารับช่วงทากันต่อไปแต่ชีวิตของเราแต่ละคนนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้สมบูรณ์ได้และเราสามารถทำให้สมบูรณ์ได้แม้แต่ด้วยการปฏิบัติงานนีหละอย่างถูกต้องเมื่อเราปฏิบัติต่อ ง, งานหรือทางานอย่างถูกต้อง มีท่าทีของจิตใจต่องานถูกต้องแล้วชีวิตก็จะเป็นชีวิตที่สมบูรณ์ในตัวในแต่ละขณะนั้นนั่นเองนี่คือประโยชน์ในระดับต่างๆจนถึงขั้นสูงสุดที่ทางธรรมะได้สอนไว้รวมความว่าภาวะที่ชีวิตงานและธรรมะประสานเข้าด้วยกันเป็นหนึ่งเดียวหรือเอกภาพที่กล่าวมานั้นเมื่อวิเคราะห์ลงไปแล้ว อย่างแยกได้เป็นสองระดับในระดับหนึ่งแม้ว่าในเวลาทำงานชีวิตจะเต็มอิ่มสมบูรณ์ในแต่ละขณะนั้นๆทุกขณะเพราะชีวิตจิตใจกลมกลืนเข้าไปในงานเป็นอันเดียวกันพร้อมทั้งมีความสุขพร้อมอยู่ด้วยในตัวแต่ลึกลงไปในจิตใจก็ยังมีความยึดติดถือมั่นอยู่ว่างานของเราของเราพร้อมด้วยความอยากความหวังความหมายมั่นและความหวาดหวั่นว่า ขอให้เป็นอย่างนั้นเถอะมันจะเป็นอย่างนั้นหรือไม่เป็นต้นจึงยังแฝงเอาเชื้อแห่งความทุกข์ซ่อนไว้ลึกซึ้งในภายในเป็นเอกภาพที่มีความแยกต่างหากซึ่งสิ่งที่ต่างหากกันเข้ามารวมกันมีตัวตนที่ไปรวมเข้ากับสิ่งอื่นหรือฝังกลืนเข้าไปในสิ่งนั้นในงานนั้นซึ่งเมื่อมีการรวมเข้าก็อาจมีการแยกออกได้อีก ส่วนในอีกระดับหนึ่งความประสานกลมกลืนของชีวิตจิตใจกับงานที่ทําเป็นไปพร้อมด้วยความรู้เท่าทันตามความเป็นจริงในธรรมชาติของชีวิตและการงานเป็นต้นที่เป็นไปตามเหตุปัจจัยโดยไม่ต้องอยากไม่ต้องยึดถือสําคัญมั่นหมายให้นอกเหนือหรือเกินออกไปจากการกระทําตามเหตุผลด้วยความตั้งใจและเพียรพยายามอย่างจริงจังเป็นภาวะของอิสรภาพ ซึ่งเอกภาพเป็นเพียงสำนวนพูดเพราะแท้จริงแล้วไม่มีอะไรแยกต่างหากที่จะต้องมารวมเข้าด้วยกันเนื่องจากไม่มีตัวตนที่จะเข้าไปรวมหรือแยกออกมาเป็นเพียงความเป็นไปหรือดาเนินไปอย่างประสานกลมกลืนในความสัมพันธ์ของสิ่งทั้งหลายที่แท้ก็คือความโปร่งโล่งเป็นอิสระเรียกว่าภาวะปลอดทุกร้ปัญหา เพราะไม่มีช่องให้ความคับข้องติดขัดบีบคั้นเกิดขึ้นได้เลยฉะนั้นพึงเข้าใจว่าภาวะที่ชีวิตงานและธรรมะประสานกลมกลืนเข้าเป็นหนึ่งเดียวดังได้กล่าวมาก่อนหน้านี้ซึ่งผู้ทำงานมีชีวิตเต็มสมบูรณ์เสร็จสิ้นไปในแต่ละขณะที่เป็นปัจจุบันนั้นว่าที่จริงแล้วเมื่อถึงขั้นสุดท้ายก็ตรง ก, กันกับภาวะของการมีชีวิต ที่เป็นอิสระอยู่พ้นเหนืองานที่กล่าวถึงในที่นี้นั่นเองเพราะความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนั้นหมายถึงความสัมพันธ์ที่กลงกลืนเสร็จสิ้นผ่านไปในแต่ละขณะไม่ใช่เป็นการเข้าไปยึดติดผูกพันอยู่ด้วยกันซึ่งแม้จะอยู่ในขณะเดียวกันก็กลายเป็นแยกต่างหากจึงมารวมหรือยึดติดกันแต่ในภาวะที่เป็นเอกภาพอย่างสมบูรณ์แท้จริง ผู้ที่ทำงานมีชีวิตเป็นงานและมีงานเป็นชีวิตในขณะนั้นนั้นเสร็จสิ้นไปโดยไม่มีตัวตนที่จะแยกออกมายึดติดในขณะนั้นและไม่มีอะไรค้างใจเลยไปจากปัจจุบันจึงเป็นอิสระในท้ำกลางแห่งภาวะที่เรียกว่าเป็นเอกภาพนั้นทีเดียวเป็นอันว่าชีวิตนี้เพื่องานงานนี้เพื่อธรรมะและลึกลงไปอีก ชีวิตนี้ก็เป็นงานและงานนี้ก็เป็นธรรมะและชีวิตก็เป็นธรรมะเองด้วยจงกระทั่งในที่สุดชีวิตนี้ก็มาถึงขั้นสุดท้ายคือเป็นชีวิตที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับงานแต่ก็เป็นอิสระอยู่พ้นเหนือแม้แต่งานก็เป็นอันว่าถึงความจบสิ้นสมบูรณ์ถ้าถึงขั้นนี้ก็เรียกว่าเป็นประโยชน์สูงสุดในประโยชน์สขั้นที่เราจะต้องทาให้ได้ พระพุทธศาสนาบอกไว้ว่าคนเราเกิดมาคนเข้าถึงประโยชน์ให้ครบสามด้านและประโยชน์ทั้งสามขั้นนี้แหละคือเครื่องมือหรือเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้วัดผลของตอนเองในการดำเนินชีวิตถ้าเราดำเนินชีวิตของเราไปแล้วคอยเอาหลักประโยชน์หรือจุดหมายสามขั้นนี้มาวัดตัวเองอยู่เสมอเราก็จะเห็นการพัฒนาของตัวเราเองไม่ว่าเราจะมองชีวิตเป็นการพัฒนาตนเอง หรือเป็นการสร้างสมความดีก็ตามหลักประโยชน์สามขั้นนี้สามารถนำมาใช้ได้เสมอไปใช้ได้จนถึงขั้นสมบูรณ์เป็นอิสระจบการพัฒนาอยู่พ้นเหนือการที่จะเป็นทุกข์แม้แต่เพราะความดีวันนี้อาตมาภาพได้มาพูดในโอกาสอันเป็นสิริมงคลก็ต้องการให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าเป็นประโยชน์ประโยชน์ก็คือจุดหมายดังที่กล่าวมานี้ ซึ่งมีถึงสามขั้นก็ขอให้เราทั้งหลายมาช่วยกันทำให้เกิดประโยชน์ทั้งสามขั้นนี้ทั้งแก่ชีวิตของตนเองทั้งแก่ชีวิตของคนอื่นและแก่สังคมส่วนรวมแล้วอันนี้หละจะเป็นเครื่องแสดงถึงการที่ธรรมะได้เกิดขึ้นและงอกงามสมบูรณ์ในโลก